บุกทูยี่สิบสี่ดูเด็กควารการนัดหมายเรนเดวัวคุณพาลาดรถโดยสารหรือเปล่าคะชูวิมัลทราฟิสลาบูซอนดิฉันรอคุณครึ่งชั่วโมงแล้วคะ่ะ มีอเอนดิสบินด้วนฮอร์คุณมีมือถือติดตัวไม่ใช่หรือคะชูวินฮาร์สพอชเทลฟนนองคุิครั้งหน้าขอให้ตรงเวลานะคะเวนอนโฟเยสตูอะคราตาครั้งหน้านั่งแท็กซี่นะคะเวนอนฟเยเรนทักซี่อ ครั้งหน้าเอาร่มมาด้วยนะคะแนนอนทุกย่คุณแพรนุพลุกอมเรลอนพรุ่งนี้ดิฉันหยุดค่ะมิลเบร์เทนบัสมอร์เกลพรุ่งนี้เราจะพบกันดีไหมคะชุนีเรนคอนทีจูมอร์เกลขอโทษค่ะพรุ่งนี้ไม่ได้ค่ะมิเบนดอรัส สุดสัปดาห์นี้คุณมีอะไรทําหรือยังคะหรือว่าคุณมีนัดแล้วคะดีฉันเสนอให้เราเจอกันวันสุดสัปดาห์ เราไปปิกนิกกันดีไหมคะชูนี่ปิกนิกปเราไปชายหาดกันดีไหมคะชุนี่อิรอัลลาปลาโจเราไปเที่ยวภูเขากันดีไหมคะชุนี่อิรอัลลามอนตาร์ดิฉันจะไปรับคุณที่ทำงานมิเวนสเซร์ชีวินลาเบเรีย que. ที่ฉันจะไปรับคุณที่บ้านมีเวนสัสเซรชีวินให้ไหมที่ฉันจะไปรับคุณที่ป้ายรถโดยสารมีเวนสัสเซรชีวินบูสฮัลเตย